สวัสดีครับมีน้องครับนี่คือเสียจากสีบ่บาทนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในหัวข้อเป็นคริสเตียนทั้งทีต้องเป็นสาวกให้ได้ชีวิตพระเยซูตอนที่หกสิบสี่นะครับพี่น้องครับตั้งแต่สองสามวันที่ผ่านมานะครับเราได้เห็นนะว่าพระเยซูต้องการคนที่มีความเต็มใจที่จะช่วยเหลืองานของพระองค์ในโลกนี้พระองค์ได้ทรงเรียกสาวกของพระองค์ทั้งสี่คนแรกออกมานะครับพระองค์ทรงเรียกเขาตอนที่เขาขยันขันแข็งครับ ตอนที่เขากำลังทอดแหทอดอวนตอนที่เขากำลังชุนอวนอยู่พี่น้องครับนี่คือคนที่เป็นสาวกของพระเยซูได้ผมใช้คำว่าเป็นคริสเตียนทั้งทีต้องเป็นสาวกให้ได้หมายความว่าเราทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนนั้นเราจะต้องตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนสูงสุดของเราก็คือการมีชีวิตแบบสาวกของพระเยซูครับเราจะต้องเรียนรู้จัดและศึกษาการเ ร, เรียนรู้จากการที่เป็นสาวก และทำหน้าที่ของสาวกครับโดยการที่จะบอกเรื่องราวของพระเยซูให้คนอื่นฟังและนําพวกเขามาเป็นสาวกเหมือนกันกับเราพวกเราคงไม่ต้องถึงขนาดเลิกลาอาชีพการงานของเรานะครับเรายังอยู่ในอาชีพการงานแบบเป็นสาวกได้ครับถ้าคุณเป็นหมอคุณก็เป็นหมอที่เป็นสาวกถ้าคุณเป็นวิศวกรคุณก็เป็นวิศวกรที่เป็นสาวกถ้าคุณเป็นนักการค้านักธุรกิจก็เป็นนักธุรกิจที่เป็นสาวกมีชีวิตแบบสาวกครับมีจริยธรรมแบบสาวกมีคุณธรรมแบบสาวกและมี จุดประสงค์ในการดําเนินชีวิตแบบสาวกพี่น้องครับผมตั้งคําถามนะครับเพื่อที่ท่านจะได้มีโอกาสคิดไถ่ควรหากเราเป็นคริสเตียนมีใครสอนเราเขี่ยวเรื่องการเป็นสาวกบ้างหรือเปล่าครับเราได้รับการฝึกฝนอบรมให้มีชีวิตแบบสาวกโดยอา่านพระคัมภีร์ทุกวันเป็นประจําหรือเปล่าครับเราอธิษฐานทูลขอพระเจ้าติดสนิทกับพระเจ้าพูดคุยกับพระเจ้าวันละกี่ครั้งครับ เรามีความสำพันธ์ที่แน่นแฟ้นลึกซึ้งกับพระเจ้าหรือเปล่าแล้วเราทูลขอและมอบชีวิตของเราในแต่ละวันให้พระเจ้าทรงนําหรือเปล่าครับหรือเรานําคนอื่นมาเป็นสาวกเราได้พูดคุยข่าวเกิดพระกิจคุณของพระเจ้ากับคนอื่นหรือเปล่าครับหากยังไม่มีพี่น้องครับเรายังไม่ได้เป็นสาวกแบบพรงต้องการแต่นี้คือวิธีหนึ่งครับที่จะช่วยให้ท่านหรือเราเป็นสาวกผู้เกิดผลก็คือใช้ผู้นําในคิจักของเรรานะคับ จัดการอบรมคริสเตียนให้เป็นสาวกผู้เกิดผลจัดการอบรมคริสเตียนและให้หาคนที่เป็นพี่เลี้ยงที่จะสร้างสาวกได้สีบานของท่านสามารถที่จะเป็นผู้ที่สร้างสาวกและสร้างท่านได้ขอให้เราที่จะไม่อายที่จะเข้าไปหาสีบานนะครับแล้วก็บอกกับท่านว่าผมดิฉันอยากจะเป็นสาวกของพระเยซูช่วยทำให้ผมเป็นหน่อยครับคำถามข้อที่สองก็คือว่าหากว่าท่านคิดว่าเป็น สาวกแล้วนะครับความเข้มข้นของการเป็นสาวกนั้นเป็นอย่างไรท่านรับหน้าที่อะไรบ้างหรือเปล่าครับซึ่งจะเป็นเครื่องที่บ่งบอกว่าท่านสนใจงานของพระเยซูในโลกนี้ท่านได้รับใช้พระเจ้าในเรื่องไหนไหมครับในเครอจกักรหรือในกลุ่มแคร์หรือในงานของพระเจ้าต่างๆครับพระเยซูรทรงห่วงใยผู้เจ็บไข้ได้ป่วยพระองค์ทรงสอนพระชนะของพระเจ้าและพระองค์ทรงสอนการเป็นสาวกเราได้ทําหน้าที่เหล่านี้บ้างหรือเปล่าครับ พี่น้องครับสิ่งต่างที่เราจะต้องเตรียมชีวิตของเรานะครับก็คือเราจะต้องมีใจสู้และมีวินัยในชีวิตมีความขยันหมั่นเพียรมีความอุตสาหะนี่เป็นสิ่งที่พระเยซูต้องการครับพี่น้องรครับลองนึกดูนะครับว่าถ้าว่าชีวิตของเราเนี่ยเกิดมาทั้งทีนะครับไม่ได้เป็นสาวกนะครับเราก็คงจะต้องเสียดายเสียใจมากครับเพราะว่าเราไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระองค์เมื่อเราอยู่ในโลกนี้ สิ่ต่างที่ผมได้อธิบายไปนะครับเราจะเห็นว่าในคําพูดของพระเยซูนะครับมีข้อสังเกตนะครับในภาษากรีกที่สัมพันธ์อย่างหนึ่งคาพูดที่พระเยซูตรัสนะครับว่าจงตามเรามาเถิดเราจะตั้งท่านให้เป็นผู้หาคนดั่งหาปลาพี่น้องครับคําว่าตั้งท่านให้เป็นมีความหมายว่าทําให้เป็นครับคําว่าทําให้เป็นนั้นในภาษากรีกแปลว่า เราไม่สามารถจะทําอะไรได้แต่ทันทีทันใดนะครับไม่สามารถเปลี่ยนแปลงทําให้เป็นสาวกได้ในชั่วข้ามคืนครับจะต้องเรียนรู้ฝึกฝนและอบรมเพื่อที่จะมีประสบการณ์นะครับยกตัวอย่างเช่นเมื่อผู้ชายคนหนึ่งตัดสินใจจะเป็นหมอไม่ได้หมายความว่าเขาจะมีคุณสมบัติมีความรู้ในการเป็นหมอโดยอัตโนมัติหรือใครหรือผู้หญิงที่ตัดสินใจเป็นครูก็ไม่ได้หมายความว่าเธอจะสอนได้เลยนั่นก็ เกิดขึ้นกับเปโตรอันดูยากอบและยอนเหมือนกันครับเขาจะต้องมีคุณสมบัติของผู้หาคนในขณะที่เปเยซูทรงเรียกพวกเขาเปเยซูทรงใช้เวลาถึงสองปีกว่ า, กวาเกือบสามปีนะครับในการอบรมบ่มเพาะเขาที่พวกเขาจะทำงานตามที่โปร่งได้ทรงเรียกเขาในวันนั้นวันแรกที่อยู่ที่ทะเลซาบแกลลีเปเยซูเรียกพวกเขาให้ทำอะไรครับพี่น้องเปเยซูเรียกเขาให ตามพระองค์ไปนั่นเป็นความจําเป็นในการที่จะเป็นผู้หาคนครับพวกเขาคงจะมีความกลัวแน่นอนครับพระเยซูบอกว่าอย่า ก, กลัวเลยตั้งแต่นี้ไปท่านจะเป็นผู้หาคนเพียน้องครับหลายครั้งความกลัวทําให้เราไม่ยอมและไม่กล้าเป็นสาวกความกลัวทําให้เราทั้งหลายคิดมากว่าเราจะอยู่ยังไงในโลกนี้ต่อไปถ้าเราเบนถ้าเราเป็นสาวกพระเยซูนะครับพี่น้องครับขอให้คำํำสั่ของพระเยซูในวันนี้ว่าอย่า ก, กลัวเลย ทำให้ทั้งหลายที่จะไม่กลัวครับและทําให้เราทั้งหลายที่จะกล้าตัดสินใจด้วยความเชื่อเพื่อที่เราจะเป็นสาวกของพระองค์อย่างแท้จริงครับพี่น้องครับเราเห็นนะครับว่าเครื่องมือที่ใช้จับคนคืออะไรครับบ้างพีสอนว่าถ้าจับปลาใช้อวนแช้แหใช่ไหมครับจับคนใช้อะไรครับใช้ชีวิตของเราครับใช้ชีวิตที่เป็นสาวกของเราเพื่อที่จะจับคนเหมือนดังจับปลาการ จะจับคนนะครับทํายังไงบ้างครับเราสามารถที่จะเชิญชวนพาคนอื่นมาโบสถนั่นก็เป็นการจับคนครับหรือเป็นการหาคนสิ่งเหล่านี้เราสามารถทําได้ในที่ทํางานครับที่โรงเรียนหรือบริเวณรอบๆที่จักหรือชุมชนของเราในการที่เราจะจับคนก็คือสําเดงชีวิตของจากเป็นสาวกเพื่อที่จะดึงดูดให้คนมาหาพระเยซูครับเครื่องมืออะไรที่จะใช้ ปลาครับก็คืออวนเครื่องมือต่างๆนะครับเช่นการเชิญชวนรายการพิเศษต่างๆนะครับหรือการเชิญชวนให้คนมาร่วมเรียนรวีหรือเข้าชั้นเรียนผู้สนใจหรือเข้าร่วมการพิธีโบสเชื้อเชิญเขาให้เขามาสัมผัสชีวิตของคนที่รักกันในโบสเชื้อเชิญเขาให้ไปร่วมงานสังสรรค์หรือค่ายของเครือจักรนี่นะครับคืออวนครับที่จะนําปลาขึ้นเรือคําถามต่อไปก็คือว่าใครจะเป็นคนจับ ปลาหรือจับคนครับคําตอบก็คือสาวกเด็กๆเล็กๆก็เป็นสาวกได้นะครับเด็กๆเล็กๆสามารถที่จะพาเพื่อนมาโบสถได้พาเพื่อนที่โรงเรียนมาโบสถได้ผู้หาคนหรือผู้จับคนที่ดีไม่เพียงแต่ที่จะนําคนมาโบสถเท่านั้นแต่จะต้องนําเขาให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของกิจจักรด้วยพี่น้องครับสังเกต น, นะครับว่าเปโตนั้นหรือชาวประมงนั้นเป็นผู้ที่จับปลาดีที่สุดในเรือของตัวเองครับไม่ใช่ในเรือของคนอื่น เปโตจับปลาดีที่สุดในเรือของเขาเองครับไม่ใช่เป็นเรือของยอนหรือ ย, ยากบเปโตเข้าใจวิธีการที่จะนําเรือของตัวเองเล่นไปบนน้ําครับเพราะว่าเรือแต่ละลําก็มีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเพราะฉะนั้นไม่มีใครที่จะขับเรือของเราได้ดีกว่าเราครับและการที่พเปโตเข้าใจวิธีการที่จะนําเรือเล่นไปบนน้ําเขาจะมีวิธีการที่ดีในการหลบหลีกพายุด้วย พี่น้องครับถ้าเรารักคิ้จักของเรานะครับและเป็นสมาชิกที่กระตือร้ น, นเป็นสาวกของพระเยซูแล้วเราจะมีความสุขมากนะครับในการนำคนมาโบสถ์ครับในการนำคนมาโบสถ์ทำให้เรามีความมั่นใจและแน่ใจว่าเราได้ทำสาพระบารมาของพระเยซูเรานำคนไปกลุ่มแคร์ตัวของเราเองก็ไปร่วมกลุ่มแคร์เราจะแน่ใจได้ว่านี่คือน้ำมันไทยของพระเจ้าในชีวิตของเรา เมื่อเราเป็นสาวกสถานที่ที่ดีที่สุดในการเจี้ยไปจับคนพี่น้องครับไปโตคงรู้ว่าคงรู้เป็นอย่างดีนะครับว่าอ่าวเล็กๆที่อยู่ในทะเลแคนาลีอ่าวไหนนะครับน้ําตรงไหนจะเป็นน้ําที่มีปลาเยอะนะครับแต่เขายังต้องพึ่งพระเยซูครับพระเยซูได้ทรงสำแดงการอภิเย์ครั้งที่สามครั้งนี้เพื่อที่จะให้เราทั้งหลายได้พึ่งพาพระเยซูโดยกําลังของเราในการเป็นสาวก เราทำให้ได้ครับแต่โดยกำลังของพระเยซูโดยการช่วยเหลือของพระเยซูโดยการอศัศจรรย์ที่พระเยซูกระทำในชีวิตของเราเราก็จะสามารถจับปลาได้พี่น้องครับเมื่อเรารู้จักคนในที่ทำงานของเรารู้จักคนในโรงเรียนของเราสถาบานันการศึกษาของเรานั่นแหละครับเป็นสถานที่ที่ดีที่เราจะหาคนและจับคนเมื่อเราจับคนมานะครับเราก็จะต้องทาอะไรกั บ, ค, บคนของเราครับหรือปลาของเราครับ ต้องเก็บรักษาปลาของเราให้ดีที่สุดครับต้องระมัดระวังอย่างมากนะครับต้องจัดเตรียมปลานั้นอย่างระมัดระวังพี่น้องครับเช่นเดียวกันครับในการที่เราจับคนให้เป็นสาวกของพระเยซูเราจะต้องดูแลเขาขอพี่น้องที่จะรับคําสอนนี้และนําไปปฏิบัติครับเพื่อที่พระเจนะของพระเจ้าและนามาถ่ายของพระเจ้าจะสําเร็จในชีวิตของพวกเราเราเป็นคริสเตียนทั้งทีต้องเป็นสาวกที่ดีให้ได้ครับ ขอประเจ้าอวยพระพรพี่น้องเครือทุกท่านอาเมน